พระธรรมเทศนาจาดกเรื่องมโหสดนักปราแห่งวิธีลาภูกที่หนึ่งฟังแล้วเกิดพญาาปัญญาปราหุฉลาดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับปืนเมืองโดยปออินสมใจชมพูปเปลี่ยนทำฮกประโยคนักทำเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหย่อะโม ตัตตาภะวโตอะรหโตสมมาสัมุทตะปัญจาลสัพเสนาติตังสัทธเจตาวันเดวิหารโตอัตตาดพัญญาปารมิอารพะกเทศต สาธาบูราสะปุริตาตั้งลายตั oh ้งยิงใจหนุ่มเทวีสัต t h าเก้าเป็นผาทานต่างใจบ้านลิงน้อมมานั่งพ้อมฟังธรรมจุงด่าจำแต่ตนติดสืบสนถึงไป จะดุกนิยายจาดเก่าแห่งพระเป็นเจ้าสัพัญญุตนเป็นคู่แก่โลกดับตกโศภัยมารปางพระสางสมปานเติ่มแทงมีจื่อแจงผากฏว่าพระมะโหสถนักผาาจบฉลาดเนือลาย หาบ้าหมายเพียบใดพับโลกไตโลกากันศรัทธาน้อยใหญ่จำจือไว้กับตนเตียงเป็นมงคลพระเสด็จเอบังเกิดสวัดธาดีเสวยสุขีจากนี้ตายจากนี้เมืองคนเตียงเอาตนไปเกิดจันฝ้าเลิดเมืองสวรรค์ ทุกคืนวันเจินจอยบอ่อตำก้อยมองขีแทมปารามีตัวเก่าหือปันไดเข้าเนราปานบ่ยาก จ, จัญลนะากีรดาดังเราจักรู้มานี่ใสป่างพระติไวทารงญานพงสำราญยังจอดในอารามยอดจือเจตวันนอาราม อันรุ่งเรื่องงามกว้างใหญ่ในตีไกเมืองสาวัตถียะตาและมียำได้ดังอันตาตาในกาละยมนั้นเหล่าอันว่าเจ้าพิกุสรงตนทารงสินใสบ่อเศร้าตั้งหนุ่มเท่านำนา ปากันมามวนหมู่พร้อมน่าอยู่รงทรรก่อจากกรรเก้าเหตุจากคือพระเจ้าเตเตสศนาวาบุโสดูรา ตอนตั้งลายเหยนุ่มเทาอันว่าพระพุทธเจ้าเราราบีพระญามากวางไผยบ่อัางเตรียมตั้นหูสับปันตั้นบาทจบฉลาดนานนำเตซานาธรรมเก่าจี้หือแจ้งทีดีงามคือสอนกุะตั้นตาพรำผู้เทาผู้บาปเศร้าปาลา ติดทีท่นาหลายแหลหือหูแน่หันใสลวดมีใจผ่องแผวนับถือแก้วสัมพการสอนส ป, ปีอาจารย์แถมเล่าผู้เป็นเก้าปริภาจากตั้งหลายหื้อสวามัยรียดเก้านำตัวเข้าสู่ศาสนา สอนคุณอินตาบุญใหญ่ตั้งเต่าไทยมหาพรหมยักใจคมกายาเพื่อละบาปสามารถมีใจบานอ่อนกลม <c oughs> ย่อมือน้อมฟังธรรมสอนคนณน่านำนักโสดนับล้านโก ด, ดีลีถึงต่างดีผ่องแผวตามบุญจาดแลวอไัยมัน มิโสดาบันเป็นเก้าทาราบต่อเต้าอาระหันตาพระพุท ธ, ธาตนสวัสวดิ์ผู้ฉลาดจูพัการถ้ารงยานลายหลากจูผู้หากยอมยมตั้งอินพรมบุญใหญ่นักพาตโลกไตหลวงลาย ไอบ่หมายมาโจดแปะพระเจ้าหยดหยดเรารักละนาะตองสุดต่พาภาคาวาอันวาสัพปัญญูพระพุท ธ, ธเจ้าตนเป็นปินป่นเก้าติโลกาจาน์ องสำราญอยู่แล้วในกูแก้วกันทักกูดีโซตัญญานมีเป่งปอยได้ยินทอยกำจา <c oughs> อันพิกคสัง้า ม, ม้วนหมหากผู้จากกันพระเล็งหันเป็นเหตุจากกวนเตจนาจิงซาเดธลีลาญวริญา ไปนังเดืออานาอันพิคุสังฆาน้อยใหญ่หากปู่ไหวสันดีกันพระบุญมุนีมารอดสังฆาตอ ต, อตะหันก่อปะกันกมเกา่านบนมเหล่าสามตีหฮับว่าจีจูผู้บอเก่ากำมไดบอดจำไอ้ออกปากพอแล้วหากดูงาม ลำดับตามนุมเทาเต็มตัวเตวเ้าโรงทำพระองค์คำตนผ่านแพ้วจริงไขรข้าออบแก้วจะทำวะพิกข้าวอุราพิโคตั้งลายมวลโมูตันเกาอู่สังจ้าหันเรามาจวนใส่ลวดยังไว้กังหันนั่นจ้า นันดาเจ้าพิคุตนฉลาจบองอาจด้วยววหารจริงนมัตสาการกมเก่าบอกพระเป็นเจ้าตามีพระมูนียอดซอยจริงตอบทอยใครจาว่าเรามีพระญาจัดนี่หูแจ้งที่จู่อั น, อน บอกกวนัดสะจันสักกากย้อนสมปานมากตานาเราปั่มปิงมาเมียดไว้พ้อมเสียงควายเต็มตันแต่ควรอัดสะจันไหลายลากเรามีพระญามากซับเสียวเมื่อยยังเตีวหลกกว้างพงก็สร้างสมปานป่าระมียนหน่อยใหญ่ไปพ้อมไขเตึงดี พันยาเรามีมากกวางไัยบอ่ออางเตรียมตั้นจริงควรนัดสซาจันนักแก่คือควรงืดแต่ดีลีพระมูนีผ่านแ้วเก่าเต่านั้นแล้วบอ่อเจียนจ้า ที่ดันนาเจ้าพิคุตตนอง์อาจก่ออภิวาตนบัณสาการว่าคาแดพระจินนามาณเป็นเจ้าอันว่าจาติเก่าปางหลังผู้ขายังไปแจ้งขอพระเก่าแทงตามรร้หื้อผู้ข่าตั้งลายมวนหมู่ได้พ้าหูตามมี พระโมนีตนสวักษา จ, จักจักจัดปังลังสังขาฟังแจ้งที่จริงก่าวจีเตสนาว่าติเตเกราพิกขาเวดังนี้เป็นตนวาพิกขาเวดูราพิโูตั้งหลายผู้เป็นสายอริยาจตาิเชือนักผาทรงญาน แต่เมื่อนานดวงแล้วมีเต้าอตอนแก้วจื่อวิเตหราาเป็นพญาเจ้าจ้างในเขตเมืองกวางจื่อมีคิลานกร ตาโอผู้ทอนนั่นใส่มีนักผัดใหญ่อาจารย์ผู้จานานจบเป็ดผู้แจ้งเหตุอยู่อันอันอยู่แห่งกันบ่อภาคสี่คนหากเป็นทราจื่อเสนากะนั้นนาเป็นเก้าป้กกุตะเล่าทัดสองผู้จบทองแบบเบารอยรียดเก่ากองงาม กามินตะผู้ทวนสามบอกจี้ผูทวนสีชื่อเตวินตะเป็นไมยอาจารย์หลายตั้งสีนย่อมกาวจี้จะสอนอย่างตาโอผู้ทอนวิเตหราตังอามาตเสนาแลนโยธาจูผู้ือได้หูกองดี ตามกำรปีแต่ไทยอันตนหากใดเหยียนมาก็มีหันแะลนาะอาธาในกาละนันไซนอพระติวัยยอดตะสะพนเกิดอยู่บนจันฝ้าคงแหลงลาตุสิดา ก่อไก่กาก้อยกาจากภาสาทเมืองบนเอาปาติสนกำเนิดในต้องนางผู้พาเสดจือสุมนณเตวีภาริญาเศรษฐีผู้ใหญ่มีจือว้ว่าศริวัฒนะเศรษฐีในบ้านกวางมีจือวาปาจินญะวามัจจกาม นอกเมืองงามใหญ่กว้างแห่งเจ้าจ้างวีเตหราชตนนอพุทธภูพาเสดลงมาเอากำเนิดยำใดอันว่าเจ้าหอใจวีเตหราชนอนไหนภาศาสัยสี่ยำไร้ที่ใกลรุงเต้าก็คุ้มฟันหันกวนอัศจรรย์บ่น้อย เต้าพ่อก้อยหันใส่ฝันว่ามีกองไฟสีแจ็งเกิดอยู่สีแจ็งปา่าเปลวไฟนั่นนาเรื่องรุงรัตสมีปุ้งปูนแยง เปียวเพียงกำแพงเมืองใหญ่ลุกพร้อมไข่เสมอกันเต้าซ้ำหันไฟน้อยเต้าหิงหอยพดมาเกิดกลางปาราเต้าไทยลุกเป็นไฟใหญ่บัดเดียวพอเป็นเปียวเรื่องรุง่งปุ่งขึ้นไปบนถึงเวหนอากาศเปียวย่อยญยาดลงมายังประสุธาโลกลา คนตัวดานิ่งใจเตี้ยวผันพายควักไข้ไฟบ่ไหมเผาล้นพ่อจู่หุนแจ้งส่งหันไข่ห้องสถาน ถึงดงด้านเหี่ยวหาดแป่นพันพักกาตกไปก็หันใสแจ้งทีบอลับลี่บังตาเทวาดาจูดาวตั้งตันเต้าอินพมมีใจจมจื่นสูมาแวดอยนำนาต่างปู่จาไฟใหญ่ด้วยดอกไม้ดวงบ้านสาธุการสาเส้าสนันดาวเวียงใจ สว่วนบาไฟสี่แห่งอันอยู่แจ็งปุรีลวดหารัตมีบอ่อใดดังบอ่อใจกองไฟเจ้าห่อใจวิเตหาราชสุดเสียงขาดกำฝัน ก็เร็วปันสะดงตื่นรีบลุกขึ้นเดียวไวมีหอระไทยไว้วันกึสอดดันไปมาพิจารณาขึ้นล่องถึงตาวันสองเรื่องไรก็มีหันแลนะนา กันกาละกวนมารอดสีนักผัดยอดอาจารย์ก็มาทุนสารกมเก้าถามเต้าเจ้าปุรีว่าใน้อยทีดวงแล้วเต้าตนแก้วผู้บาน รับสำราญบ่ผ่อนดังแต่ก่อนวันอ่อนหรืออาวอนปิกฟื้นลับบ่จื้นเต็มตาเจ้าปา ร, รายศเน่าก่อต้านก่าวตามมีว่าเรารับบ่ดีสักกากนอนแล้วหากลับฟันกวรอัศจรรย์ น, นักแก่ใจพัดแผ่เวว้นจักเป็นมงคลผาเสด คือบังเกิดสวัสดีหรือจักเป็นหานีถอยไรบังเกิดใดบีมาแกพระเจ้าไพราชแกอามาดคนใด <c oughs> คือจักเป็นไยอันใหญ่คือเราใดเครื่องกาเตาก็จะบอกเราตั้งแต่เก้าสุดปลายคืออาจารย์ตั้งหลายตั้งสี่ หูแจ้งที่จูพาการส่วนสีอาจารย์นักผาดฟังเต้าที่ราดไขรจาปิดจารณาเพราะหมูก่ก่อขวัดหูสับปันจิง้ากันกมเก่าไว้เต้าเจ้าปุรีว่าเต้าฟันดีแต่โสดบอมีโตดมาจนย่อมเป็นมงคลผาเสด นักผาจะเกิดมีมาในคงปาราเจ้าฟ้าเป็นผู้ทวนหาดีลีจบทองดีชาติลาภูสิปาสสน า, นามีผ้าญยาอากายิ่งกว่าผู้ข้าตั้งลายความฝันใหม่บอกไว้กองไฟใหญ่กลางเมือง อันรุงเรืองส่องแจง้งไขจูแห่งแดนไก่บ่อใจภัยต่างนาคือนักผาททวนหาดีดีส่วนกองไฟมีสี่แห่งอยู่สี่แจงเวียงใจรัตสมีใสบ่อพนแต่เมื่อก่อนเดิมตีลวดหารัตสมีบอ่อใด ดังบอดใจกองไฟบอดใจภัยแต่เราคือตัว้าเทาตั้งหลายนี่แหละนะ <c oughs> ตางสุดตวราชาส่วนพระยาวีเตหราชฟังเสีนักพาทุลสารจริงมิราช จ, จะองค์การทำเรา ว่าดักพาเจ้าบุญนาจักมีบาทวนหาจักหันนาหยามได้หันเดียวไว้บ่าจ่าหรือจักอยู่ทาเมื่อ น, นานเ <c oughs> สนากา า, ารผู้เทาก็กมเก่าทุนสาวาข้าแดงมหาราชเจ้าตนเป็นปิ่นเก่าเนื้อหัว อันว่าตัวนักพาทผู้ฉาลาดเหลือคนพงเอาปฏิสนวันนี้กันบ่เม่นตีกําจาก่อพงเกิดมาเตียงแต่วันนี้แน่สัตว์จังอดใจฟังถามข่าวไปไขาดาวเวียงใจเข้าเตียงไข่ก่าวอือได้หูขี้ยา เสนากาจาแม่นจ้องดังตาติบส่องเล็งหันเหตุตัวมันนั้นเล่าหากเป็นเก้าอาจารย์จบจานันกว่าหมู่ชาลาหูเหลือคนตั้งเวทมนต์วิเศษตั้งทรายเป็ดนานามันจริงจ้าแม่นจ้องดังตาส่องเล็งหันเลยนะ อันวะนอปุทธาตนองอาจใดก้อยกาดไก่กาจากตูสีดาฝากฝ้าลงสู่นาเมืองคนเอาปาติสนกำเนิดในต้องนางผู้ผาเสดสุมาณเตวิญาตาและวิญาณใดดังอันตาตา ในกาลยามนั่นใสเตวบุตรใหญ่ตั้งหลายปันหนึ่งไม้เป็นขานาดก็ก้อยกาดภายพันธ์จากสวรรค์ติต้องลงสู่ห้องปฐวีเกิดในข้ากุลเศรษฐีผู้น้อยพร้อมนอพระยอดซ้อยเจียงคาน บ่อปอนานแต่ใส่สิบเดือนไข่เตงดีนางสุมาเฑิวีหนุมเนาก็ผ่าสตรลูกเตาบุญนามีลักขนาผ่าเสดงามลาเลิดเป้องแป้งดังคำแดงหล่อเบาผิวบ่อเศร้าเชียงจิน ส่วนคุนอินอยู่าเล็งขอดาจุมปูหันนอสับปัญญอดซอยใจจื่นจอยยินดีไข้หื่นนอมูนีหยดเย้าลือไข่ดาวโลกาจริงเอายาววิเศษมาจากเขตเมืองบน บ่หือคนมวนหมูใด้ผ้โหูเล่งหันเอายาสะวันกุนใหญ่ใส่มือเจ้าไว้ปัดเดียวแล้วรีบเร็วคืนสู่ยังตี้อยู่เมืองบนโนต้าสะปนบุญใหญ่ก็ฮับยาไว้สะปันแม่เจ้าหันดูลากจริงออกปากจะทำด้วยกำงามอ่อนอ้อย ว่าดูราลูกน้อยสายตาเจ้าก ร, รสั่งมานั่นเล่าหรือเป็นของเก่ากับตนเป็นของบงก้นจาดก่อนเกิดมาซ่อนจอมกันจุงไข่ปันบอกแม่ฮึองหูแน่ตามมีนอมูนียอดซอยก็ตอบถอยมันด้ว่าอันนี้เป็นยากุณญใหญ่ แกเปียที่ได้จูอันอันแล้วยื่นปันหื้อแม่ใครเกาแกกำไปว่ากันคนใดไก่ไก่ <c oughs> บอกว่าน้อยใหญ่นิ่งใจมีเปียที่ไหลเรือน้อยติดจองห้อยกาญยาฝนยานีตายาจ้าจักหายตอดสับปัน นางจอมวันผู้แม่ฟังลูกกาวแกวาตีเอาอย่าดียกยืนมีใจจืนนำนาจริงไครจ้าก่าวเอศเศรษฐีฮู้จูภาการก็มีหันแลยนะ โสปะนาะเศรษฐีส่วนสิริวัฒนะเศรษฐีนั่นใสมีเปียที่ใหญ่ติดตัวคือเจ็บหัวเป็นขนาดบ่หูขาดคืนวัน ไหไข่ปั่นเกาอูหือได้หูยาดีเงินคำบีบอไรซื้อมาใจลองจามลำดับตามแต่เกาได้เจ็ดขวบเขาวาซานับหมอยาอ่านร้อยบ่ถอยบรนเทาบ่บางเบาไม้ผ่อนเจ็บดังแต่คนดี กันเศรษฐีได้หูพริญาอูจกใครนินมีใจจมื่นปีติตื่นสมมนัชาไคจามยาลูกเตาว่าจากดีแต่เหล่าสันได้จริงเดียวไว้บอจ้าจเอายาลูกลาบุญนาฝนแล้วตาหน้าผากดังยุบผากเสียตัว เจ็บปวดหัวเป็นขนาดาก็หายขาดตั้นตาลูบซ้มหาบีบนวดบอดเจ็บปวดแดนใดอัศจรรย์ใจลายแหลขกึ้นพอแต่เหมือนฟันคนผู้หันแลลหูต่างก้าูยาวไปบ่อนานเต่าได้แต่ใส่คนหูไขาปาระรา อนเป็นโรคกาผาญาตเปียที่ปาดในตนอยู่ต่างหนต่างดาวอยู่ต่างเต้าไกตาต่างป้ากันมามวนหมูม่ถึงที่อยู่เศรษฐี โอ้อย่าดีสักสวาดแก่าน ญ, ญาตในตนเศรษฐีก็ฝนย่าใสบอเว้นไวคนใดบอว่าเข็นใจตำมจ้าบอว่ากำพ้าเครื่องขี บอกว่าคนมีมังเต้าบอกว่าหนุ่มเทาหญิงใจตกแล้วหายจูผู้บ่ข้างอยู่คนใดเขามีใจจืนยาวสาธุเศราย่อคุณ มันนาการนุนเตียมแทงบ่อแหงบางตาคนเป็นโรคกาผาญาตไหลมาบ่อขาดตั้งวันเล่าเลือกกันจู่เขตว่ายาวิเศษคุณดีอยู่ในเฮือนเศรษฐีผู้ใหญ่แก้ัญญาได้ดวงลายตันยาได้แต่สวดเป็นยาพอดคนเราแลยนะ ตาสมาเหตุนั้นเล่าเศรษฐีป่อเจ้าบุญมีถึงวันดีมารอดจักใส่ชื่อลูกหนอดใจร่ า, รามฮือสมตามเก่าเหตุย้อนยาวิเศษพากฏว่าเจ้ามโหสุดอ่อนน้อยย้อนเจ้าหยอดซอยบุญมี ถือตอนอยาดีหลายแหลจากต้องแม่ตัวมานั้นแหละนะถ้าต่อปารังทัดนันไปแถมเล่าป่อแห่งเจ้าบุญมีคือสิริวัฒนธนเัเศรษฐีผู้ใหญ่ก่อเกิดไข่คนิ่งใน ว่าลูกใส่ใจน่อนเอนว น, า, น, า, บ น, า, นาบุญเก่านำนาบ่อหอนมาบังเกิดเอากำเนิดเดียวได้เตียงมีสหายปางก่อนเกิดร่วมบอลเวียงใจ พ้อมสายใจยลูกน้อยเพื่อเป็นกูอหอยจอมกันคือเกิดห่วมวันตั้นบาดเป็นสหาจาตสหายกวรคงควายทำข่าวตามด่านดาวธานี กันเศรษฐีเกิดแล้วก็ออกาดแก้วไก่กาจ่ากเกหาติอยู่ไปเฮือนมูเศรษฐีจักนับมีหลายหลากปันหนึ่งหากเป็นพมานย่อมเป็นปาริวารแวดไกลยังสิริวัฒนเศรษฐีใหญ่เดิมมาแล้วก็จถามข่าวเขาก็กล่าวตามมี จุมอานุเศรษฐีนั้นเล่าต่างมีลูกเต่าจอมควันเกิดวันเดียวกันจูผู้นับเป็นกู่สหายย่อมเป็นใจเสียงไข่บ่อน้อยใหญ่เสมอกัน เศษที่หันและหัวใจจืนซู่เจยจมก็แต่งแม่นมผู้่าเสดตั้งเคื่องยองเลิศเจียงคานฮือแก่กุ ม, มานเสียงไว่บ่อเว้นไว้คนใด <c oughs> ทัดดันไปปานาบบ่อเดินจ้าหึงนานก็เฮือกุมานปุ่งนั่นนับที่สั้นปอปันสังร้อมกันตั้งหมู มาเป็นกูปริวานแห่งนอโพธิญาณยอดซ้อยผู้เป็นลูกน้อยในตนกอบิฮันและนะงามนอพระเจ้าทารงญาณคือมหโหสถกุมานบุญใหญ่อายุไดเจ็ดปีมีรูปงามดีผ่าเสดลักคณนาเลิดเปล่งแปลง ดังคำเด้งล้อมล่อปูนดีพอเลือใจอยังมีในวันหนึ่งเล่าดอพระเจ้าบุญภายกำปริวานลหล ม, ม่วนหมูพงเล่นโยกางสะนามอันเปียงงามกว้างใหญ่ตามมักไฟใจตนก็มีฝนหาใหญ่ตกลงใส่บัดเดียว เจ้าก็เร็วไว้ว่องเล่นเข้าสู่ห้องศาลาส่วนเด็กนานาทวนนาต่างเล่นกว่าจอมหลังเสียงอึ้งอังสาสาวห้องลมเต้าเต่งกันลุกบ่อตันตันย่ำเจ็บเสียงซ้ำกาญะพองเจ็บขาเจ็บซอกเลือดย่อยออกเป็นสาย พ่องเจ็บลายแข้งหลากพ่องหน้าผากปองนหนอปุดท้อกินกู้หันเจ้าหมูเด็กชายเจ็บปวดลายนักแก่ก่อขืดแผไปมา ว่ากันมีศาลากว้างใหญ่ได้จองใจลายภาการคือเป็นสะทานมวนเล่นลบหลีเว้นลมฝนตกตาลนดังนี้เตียงหลีกลีนีหาย อุนตาายน้อยใหญ่บ่กอหอนใดมีมากันปิจจาราณเีเลี้วเจ้านอแก้วบุญมีก่อไขาวาตีกาอูอคือปาริวานหูจูคนคนว่ากันสู่หลนขึ้นสู่ยังตี้อยู่ไผมันฮือเอาเงินคนละปันอย่าขาดตามถอยวาดกำเรา สังรอมเอามาสร้างยังสาลากวางงามตาเพื่อเรารามวลหมู่ใดเล่นอยู่เย็นใจคือคนเตี้ยวไก่หิวหอดใดยังจอดเจยบานส่วนกุมงมันมวลหมู่ฟังเจ้าอกรรมงามก่อกาตั้มตามเสียงไข่บ่อเว้นไหวคนใดก็มีหันแล่นนะ ตนใดเงินมาหลายหลากตามใจหากพระทรงนอพุท ธ, ธองค์ตีไว้ก่อจ้างจ้างใหญ่จบทองมาทารีปองก่อสร้างยังสาลากวางเจียงคานจางผู้จะนานจบเป็ดก่อปักเขตดูเบิงพระตัดขึงไมยไว้ตามตนใดเเียนมา นอบุทธาสั้นทีบอแม่นตีตามรายจริงหื้อไมยแถมไหมว่าเยะดังนี้บอใจดีลีขึงดีดีกว่าเก่าดังเราเล่าไขาปันนายจ้างพันญาตันนักแกบอจางแกสันได้ยินตันใจลายลากจริงออกปากเจียนจาว่าข้าเหยนมาดังอี จากเนี่ยหนิงกว่านี้ตันใจบ่มีภัยแต่เล่าเนี่ยใดดังเจ้าใครฟันกันเจ้าจอมขวัญ น, น้อยหนาทู่ฉลาดจบทองขอจุงลองขึงเล่าเฮือขาเท่าเล่งดูหน่อซับปัญญูบุญใหญ่เธอพาตัดไว้บัดเดียวขึงรีบเร็วไว้ว่องพอเป็นจ้องลวงลาย ขีแต่ไม่เก่าอือหืนจังหูตามคำดังวิสุกรรมเตปะทศไทยมาหมายเมียดไว้ดีๆก็มีวันนั้นแลยนะเนี่ที่ตังขีญาสังวันณานาวิเศษจ่าห้องเหตุมโหสุดผูกเก้าปังเมื่อเจ้าบุญจู ใจมูตูแผ่กว้างจางจาง้างศาลาพุ่งจักดาลงหากกาละหากเตึงตันขอไขปัน่นเตาอีเตานี่ก้อย ว, วางลงก่อบังกุมสมร็จเสร็จแล้วเตานี่ก่อนแล